เอวมิสุตังเอกังสมียงพะก้าวบารานสียงวิหารเติอสิปตนเนมิกะไดย์ทตตะโคพะก้าวปัญจวังกี้พิคุอามันเตศิรูปังบิกเวอนัตตารูปัญจหิดังบิกเวอัตตาอภวิสา นายีดังรูปังอาบาทายาสังวัตยาลาภิธาจาโรเปเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาอโหสิเตยาสมาจะโคภิกเวรูปังอนัตตาตาสมารูปังอาบาทายาสังวัตเตนาจะลภิเตโรเป เอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาโหสิเตเวดนาอนัตตาเวดนาจหิดังพิกเวอัตาอภาวิสานายดังเวดนาอาบาทายาสังวตัตยาลาเพธาจเวดนายา เอวังมเมวเดนาโหตุเอวังมเมวเดนามาอาโฮสิตะยสมมาจัโคพิกาเวเวเดนาอนัตตาตสมาเวดนาอาบาทายสังวตตนะนาจัลภะติเวเดนยายะเอวังมเมวเดนาโหตุเอวังมเมวเดนามาอาโฮสิเต สัญญาอนัตตาสัญญาจะหิดังพิกเวอ a ตาอ b h a v i s a k นัยดังสัญญาอาบาทายาสังวัตยาลับเพทาจะสัญญาญาเอวังเมสัญญโหตุเอวังเมสัญญามาโหสีเตยาสมาจขโคพิกเวสัญญาอนัตตา ตาสมัสัญญาอาบาทายสังวตตินาจัลพะติสัญญาไอวังเมสัญญาโหตุไอวังเมสัญญาม a อาโหสีติสังขาราอนัตตาสังขาราจหิดังพิกเวอตาอภวิตสังโส นายดังสังขาราบาธาญาสังวัตยุงลาเพธาจะสังขาระโสเอวังเมสังขาราหุนโตเอวังเมสังขารามาอเหสนติยาสัมมาจารโคภิกเวสังขาราอนตตา ตาสัมมาสังขาราบาทายาสังวัตตันตตนาจารพติสังขารเอสุเอวังเมสังขาราหุนตุเอวังเมสังขารามาเฮสุนเตวิญญาณังอนัตตาวิญญาณันจะหิดังภิกเวอตาอภวิสา นายดังวิญญาณังอาบาทายสังวัตตาเลลาเพตาจะวิญญาเนอวังเมวิญญาณังโหตัเอวังเมวิญญาณังมาอโหสิเตยัสสัมาจักโคภิกขเววิญญาณังอนัตตาตสมาวิญญาณังอาบาตายสังวัตตาเต นาจัลพพติวิญญาณนเอวังเมวิญญาณังหตุเอวังเมวิญญาณังมาอโคสีตีตังกิงมันยะทาพิกเวรูปังนิจังวะอนิจังวาติอนิจังพันเตยมปนานิจังดุขั้งวาตังสุขั้งวาติดุขัางพันเต ยัมปนานิจังดุขังวิปริณมะธรร ม, มังกัลลังโนตังสมนุปสิตุงเอตังมะมะเอโสหะมาสมิเอโสเมอตตาตโนเหตังพันเตตังกิงมันยธาภิกเเวเวดา น, านิจาวาอนิจาวาติอนิจจพันเต ยามปนานิจังดุขังวาตังสุขังวาเตดุขังพันเตยามปนาณิจังดุขังวิปริณหมะธรรมังกัลลังโนตังสมณุปสิตุงเอตังมมเอโสหมะสเมเอโสเมอตตาเตโนเฮตังพันเต ตังกิงมัญยาทาภิกขเวสัญญานิจาวาอนิจาวาตออนิจภาพันเตยัมปนานิจังดุกขั้งวาตังสุขั้งวาตตอุกขั้งพันเตยัมปนานิจังดุกขั้งวิปริณามะธรรมังกัลลังนุตังสมมนุปัสิตุง เอตังมมเอโสหมัสมิเอโสเมอตตาเตโนเฮตังพันเตตังกิงมัญญาทะพิกเวสังฆารานิจาวาอนิจาวาตตอนิจจาพันเตยัมปนานิจังดุกขังวาตังสุขังวาตตดุกขังพันเต ยามปนานิจังดุกขังวิปริณมะธรรมังกัลลังโนตังสมานุปัสสิตุงเอตังมามาเอโสหามัสมิเอโสเมอตตาเตโนเฮตังพันเตตังกิงมัญญาทาภิกขเววิญญาณังนิจังวาอนิจังวาตตอนิจังพันเต ยำปนานิจังดุกขังวาตังสุขังวาตตดุกขังพันเตยำปนานิจังดุกขังวิปริณามะธรรมังกัลลังโนตังสมุปสิตุงเอตังมมเอโสหมัสสิเอโสเมอตตาเตโนเฮตังพันเต ตาสมาติหาภิกขเวยังกินจิรูปังอติตานะตะปจุปนังอาจะตังวาบหิตทาวาโอลาริกังวาสุขุมังวาหินังวาปนุยตังวายันโดเรสันติเกวาสบังรูปัง เนตังมะมะเนโซหมัสมินาเมโซอาตาเตเอวะเมตังยาธาภูตังสัมมปัญญายะดัทบังยากาจิเวดนาอติตนะคตะปัจจุปันาอจชะตาวาบหิตทาวาโอลาริกาวาสุขุมาวาหีนาวาปนุิตาวา ยาดูเรสันติเกวาสับบาเวดนาเนตังมะมะเนโซหามัสมิณเมโซอัตตาเตเอวะเมตังยาธาภูตังสัมมัปปัญญายาดาทับังยากาจิสัญยาอติตานะคตาปจจุปันาอจตาวาบหิตาวา โอฬาริกาวาสุขุมาวาหีนาวาปนุยตาวายาดูเรสันติเกวาสับบาสัญญาเนตังมามเนโซหมัสมินะเมโซอัตตาเตเอวะเมตังยาธาภูตังสัมมปัญญายาดัตทะบัง เยเกจิสังขาระอต a ตานักตาปจุปนาอาชะ a าวาบะหิตาวาโอราฬิกาวาสุขุมาวาหินาวาปโนิตาวายาโดเรสันติกเว a าสับเบสังขาระเนตังม a มะเนโ a ห a มาสมิณเมโ o อ t ตาติ เอวะเมตังยาธาภูตังสัมมปัญญายาดถบังยังกินจิวิญญาณังอติตานัคตะปัจจุปนังอัชตังวาบหิตาวาโอลาริกังวาสุขุมังวาหีนังวาปโนยตังวายันโดเรสันติเกวาสับบังวิญญาณัง เอตังมะมะเนโซหมามัสมินาเมโซอาตาตเอวะเ ม, ะมะตังยาาภูตังสัมปัญญยดาทับางเอวังปัสสังภิกขเวสุตวะอริยสาวโกรูปสัมิงปินิปินตเเวดนายปินิปินตเสัญญายปินิปินตเ สังฆาเรโสปินิบินดาเตวิญญาณาสมิงภีนิบินดาเตนิบินดังวิรจยเตวิรากาวิมุจเตวิมุตตาสมิงวิมุตตมิตยานังโหเตขีนโอจเตบุสิตังพระมจริยักตังกระนวยยัง นาปารังอิทัตตาญาติปจานาติติอิดมาวจาภะกวาอาตมนาปัญจวาวกิยาภิกขุภะกวะโตภาสิตังอภินันดุงอิมัสมินจาปนาเวยังการณ์นทสมิงพัญยามานัญจาวกิยานางภิกขุนางอนุปาดายะ อาสวะหิจิตานิวิมุจจริสูติ